เรื่องราวที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับตำนานของสิงโตทองสิงศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีคนจมน้ำสังเวยบ่อยครั้งจนต้องสร้างศาลถวายค่ะ ประวัติความเป็นมาของสิงโตทองตัวนี้นะคะก็คือรูปปั้นสิงโตทองขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บริเวณข้างตึกคณะเศรษฐศาสตร์โดยมีลักษณะหันหน้าไปยังท่าน้ำสิริราช กล่าวกันก็คือค่ะหันหน้าออกไปยังแม่น้ําเจ้าพระยาราวกับว่ากําลังมองหาผู้เป็นที่รักของตนที่จมลงสู่แม่น้ํานั่นเองค่ะสําหรับรูปปั้นสิงโตเนี่ยเป็นหนึ่งในหินอับเฉาหรือที่เรียกว่าตุ๊กตาอับเฉาอันเป็นสินค้าจากประเทศจีนที่นําเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็ยังมีประโยชน์ไว้สําหรับใช้ถ่วงใต้ท้องเรือสำเภาจีนให้มีน้ําหนักพอที่จะกินร่องน้ําให้สามารถแล่นข้ามมหาสมุทรได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีตุ๊กตาอับเ้าหรือว่าหินอับเฉานี้มาด้วยกันสองตัวเพื่อที่จะเป็นคู่กันให้เรือสำเภาเกิดความสมดุล น, นั่นเองนะคะ ตามตำนานได้เล่าขานกันค่ะว่าในวันหนึ่งได้เกิดพายุลูกใหญ่ที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยก็เลยส่งผลให้เรือสำเภาจีนที่เข้ามาค้าขายนั้นอับปางลงต่อมาก็มีการพยายามที่จะกู้สินค้าเหล่านั้นขึ้นมาจึงได้รูปปั้นสิงโตเพศเมียนี้ขึ้นมาแต่ว่าได้มาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะรูปปั้นสิงโตเพศผู้ที่คู่กันกลับไม่สามารถงมขึ้นมาได้หรือบ้างก็เล่า ว, ว่าการจมลงสู่ใต้ท้อง น้ำของรูปปั้นสิงโตตัวผู้นั้นเกิดจากอุบัติเหตุในการขนสินค้าลงจากเรือซึ่งแม้จะเหลือรูปปั้นสิงโตเพศเมียเพียงตัวเดียวชาวบ้านก็ยังคงนังรูปปั้นนี้มาตั้งไว้ในลักษณะหันหน้าเข้าหาฝั่งแต่ทว่าวันหนึ่งสิงโตเพศเมีย น, นี้นะคะกลับหันหน้าออกจากฝั่งไปยังแม่น้ําโดยไม่มีเรื่องเล่าใดๆนะคะก็ตามแต่สิ่งที่ประจักษ์ชัดแก่ผู้คนที่ได้พบเห็นนางสิงโตก็คือแบบอย่างแห่งความรักที่ซื่อสัตย์ ผู้ซึ่งมองหาและรอคอยคู่ของนางเสมอมาไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปสักเท่าใดค่ะนอกจากตำนานในเรื่องความรักที่เล่าต่อกันมาก็ยังมีการบอกเล่าถึงรูปปั้นสิงโตนี้บอกว่าใช้เป็นการล้างอาถรรพ์ของวังหน้าตามหลักของฮวงจุ้ยดังนี้ค่ะอาถรรพ์เกิดจากความมหัศจรรย์ของสถานที่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งในสิ่งลี้ลับที่ผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยในเรื่องของอาถรรพ์อันเกี่ยวกับห่วงจุย้ยมีสถานที่ที่หนึ่งของเมืองไทยที่ได้ไปนค้นหาแล้วก็นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนั่นคือศาลเจ้าพ่อสิงโตทองภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งอยู่ริมน้ําเจ้าพระยาเป็นศาลคอนกรีตขนาดกลางภายในก็เป็นที่ตั้งของสิงโตหินศิลปะแบบจีนค่ะเหมือนตุ๊กตาหินที่จีนตั้งอยู่ตามวัดพระเชตุพน หรือวัดอรุณราชวรารามเพียงแก่ว่าต่างกันที่สิงโตหินตัวนี้เนี่ยได้ผ่านพิธีการทางศยศาสตร์แล้วก็ปลุกเสกลงยันเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิบ์บรรดาอิทธิฤทธิปาฏิหาร โดยมีเรื่องเล่าเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสิงโตทองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่ามีอภินิหารทุกปีเนี่ยจะต้องมีเด็กจมน้ำตายสังเวยไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนชาวบ้านแถวริมน้ำเจ้าพระยาก็เลยเชื่อกันนะคะว่าท่านต้องการเอาตัวคนไปเป็นบริวาร ความเป็นมาเป็นไปของสิงโตหินนี้จะเป็นอย่างไรถึงมาตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแก่ตั้งแต่โบราณราณค่ะที่ปัจจุบันไม่ใครจะมีใครรู้ประวัติหรือว่าจํารายละเอียดในที่มาของสิงโตตัวนี้ได้นะคะ คนเก่าแก่ในละแวกริมแม่น้ําเจ้าพยาก็ล่ําลือกันไปค่ะบอกว่าความจริงแล้วสิงโตที่เห็นเนี่ยเป็น1ใน3ของสิงโตหินที่จมอยู่ใต้แม่น้ําเจ้าพยาบริเวณปากคลองบางกอกน้อยแต่ว่าได้ถูกนําขึ้นมาสักการะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1ตัวโดยสิงโตหินที่อยู่ใต้น้ำอีก2ตัวนั้นตัวหนึ่งมีขนาดเท่ากันกันกบสิงโตหินในธรรมศาสตร์ แต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งก็คงสันนิษฐานนะคะว่าเป็นแม่สิงโตกับลูกสิงโตอีกสองตัวก็เลยมีเรื่องเล่าลือกันเถะว่าเคยมีคนเนี่ยได้ยินเสียงร้องของสิงโตตัวลูกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือสิงโตร้องหาแม่ของสิงโตแล้วก็ร้องหาตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใต้น้ําความที่ได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้คนเห็นอยู่บ่อยๆก็เลยต้องทําการสร้างสารให้โดยเรียกสารนี้ว่าสารสิงโตทองเพื่อให ชาวธรรมศาสตร์และก็ประชาชนที่สัญจรไปมาทางน้ำหรือผู้ประกอบอาชีพในแม่น้ำเจ้าพระยาได้มาสักการะขอความคุ้มครองให้ปลอดภยัยหรือบนบานขอในเรื่องอื่นค่ะว่ากันว่าสิงโตหินทั้ง3ตัวนี้ ใช้แก้อาถรรพ์ห่วงจุ้ยของวังหน้าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นซึ่งวังหน้าในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นนะคะก็จะมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรศิงหานาฏพระอนุชาในรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเคยเล่าลงไปในเพจของพระเจอผีแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปค้นหาได้เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์วังนาแล้วก็เรื่องของกรมพระราชวังบวรมหาเสนารักษ์อนุชาในรัชกาลที่สองค่ะ แล้วก็กรมพระราชวังบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพพระปิตุลาในรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระบรมเทราเมติมหิศรีรังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาในรัชกาลที่สกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งวังหน้ามีความสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยความที่อำนาจราชศักรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ ที่ตั้งของวังหน้าจะอยู่ไม่ไกลจากวังหลังนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินนักซึ่งในอดีตวังหลวงนั้นอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีอนณาเขตติดต่อกับวัดพระแก้ววังหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ถูกยกเลิกลงแนวรัชกาลที่หเมื่อปีพุทธศักราช2430 และเมื่อพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะรัชกาลที่หก็เลยโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ตั้งพิ พ, พิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติมาจวบจนปัจจุบันนี้ สำหรับวังหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิงโตจีนทั้ง3าตัวนี้ก็คือกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพซึ่งเรื่องราวนั้นมีอยู่นะคะว่าในสมัยที่กรมพระราชวังบวรเจ้ามหาศักิพลเสพดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่สก็ได้มีผู้กนาบบังคมทูลว่าพระราชบนเทียนในพระราชวังบวรณสถานมงคล น, นั้นอยู่ตรงกันกันกบปากคลองบางกอกน้อยแล้วก็เป็นปากทางสามแพร่ง ซึ่งตามหลัก่วงจุ้ยในตำราจีนถือว่าไม่ดีแล้วก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายจึงต้องแก้เคล็ดโดยการทำรูปสิงโตคาบกันหยั่นไปติดไว้ที่ริมน้ำนะคะแล้วก็ให้หันหน้าไปสู่ปากคลองเพื่อเป็นการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในพระราชวังค่ะ ซึ่งเครื่องรางรูปสิงโตคาบกั้นหยันของจีนนั้นนับตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันก็เป็นที่นิยมใช้สําหรับการแก้อาถรรพ์ห่วงจุย้ยของสถานที่อยู่อาศายัยหรือว่าที่ทํางานโดยคนจีนถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังสําหรับปราบมารหรือสิ่งไม่ดีให้ออกไปนะคะแล้วก็บันดาลโชคลาภมาให้จึงนิยมหามาติดไว้โดยเฉพาะหน้าบ้านหรือว่าที่ทํางานที่อยู่ใกล้กันกับทางสามแพรง่งหรือที่บ้านที่มีหน้า จั่วบ้านอื่นหันมาตรงกับบ้านของเราบ้านที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงกันกับหน้าบ้านแล้วก็บ้านที่มีเจ้าที่เจ้าทางแรงเป็นต้นค่ะ ส่วนอาถันภายในวังหน้าเมื่อมีผู้กราบบังคมทูลเช่นนั้นกรมพระราชวังบวรราชเจ้ า, ามหาศักดิ์พลเสพก็ทรงเห็นนะคะว่าหากนำป้ายรูปสิงโตาคาบกั้นหยันไปติดไว้จะไม่เหมาะสมพระองค์จึงได้สั่งให้นำสิงโตหินจากเมืองจีนสาตัวเพื่อทำพิธีทางไสยศาสตร์แล้วก็มีการปลูกเสกแล้วก็ลงยันทำพิธีตามธรรมเนียมจีนค่ะเสร็จแล้วก็เลยนาลงไปไว้ที่แม่น้าเจ้าพระยาหันหน้าตรงปากคลองบางกอกน้อย บ้างข้อมูลก็บอกว่านำไปไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ว่าต่อมาถูกกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งลงไปเรื่อยๆสิงโตทั้งสามก็เลยร่วงหล่นลงไปอยู่ใต้น้ำ จนกระทั่งต่อมาก็ได้มีผู้นำสิงโตตัวเล็กหนึ่งในสองตัวขึ้นมาตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสร้างศาลให้เป็นที่สักการะบูชาส่วนสิงโตตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กอีกหนึ่งตัวนั้นนะคะได้มีนักประดาน้ำดำน้ำลงไปดูก็ยังเห็นว่าคงอยู่ในตำแหน่งเดิมค่ะเพียงแต่ว่ามีตะไคร่น้ำเกาะอยู่น้าเต๋ นี่ก็เป็นที่มาของการแก้อาถรรพ์ในรั้ววังซึ่งทําให้รู้ว่าในสมัยโบราณผู้คนและเจ้านายในยุคนั้นก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยหลักฐานนั้นก็ยังมีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะจากความเชื่อเดิมของชาวจีนที่เชื่อนะคะว่าสิงโตนั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความโชคดีและสามารถคุ้มครองป้องกันพญันตรายได้เมื่อนํามาตั้งไว้ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเช่นนี้จึงเป็นการเคารพ บ, บูชาแก่ผู้เดินเรือโดยจะเห็นว่าเมื่อมีเรือ ขับผ่าน ผู้ที่สัญจรทางเรือนั้นจะยกมือขึ้นมาพนมไหว้เพื่อเป็นการขอให้ปลอดภัยในการเดินเรือหรือมั่งคั่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือแล้วก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสารสิงโตทองแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านความรักนะคะอีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลายัยก็เลยส่งผลให้เป็นที่พึ่งสําหรับผู้ที่ต้องการขอเรื่องของโชคลาภเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเรียนแก่นักศึกษาแล้วก็ประชา ชนโดยทั่วไปเฉพาะผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นการได้มาขอพรถึงที่ก็นับว่าเป็นต่อเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้สําหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์เองยังมีเรื่องเล่ากันปากต่อปากอีกค่ะว่าหากอธิษฐานถึงสิงโตทองและปักทูปไว้ที่หนังสือหน้าใดก็ตามหน้านั้นก็จะออกข้อสอบด้วยนะคะเรื่องนี้อ้างอิงมาจากนิตยสารหญิงไทยเรื่องโดยสายทิพย์ ปีที่31ฉบับที่344ปักแรกเดือนตุลาคมพุทธศักราช2549ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตำนานสิงโตทองประจำวันนี้ด้วยหมดเวลาของบีแล้วละค่ะเดี๋ยววันต่อไปมาดูกันว่าเราจะมีเรื่องของตำนานอะไรที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคให้บีด้วยสวัสดีค่ะ